ه والقادر على أي يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعو ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ว่าระงคือผู้ที่ทรงสามารถที่จะทรงการลงโทษมาอย่างพวกเจ้าจากเบื้องบนของพวกเจ้าหรือจากใต้เท้าของพวกเจ้าหรือให้พวกเจ้านั้นปนเปนกันโดยมีหลายพักวและให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสซึ่งการลุกรลานของอีกบางส่วนจงพิจารณาดูเถิดมูฮัมหมัดว่าเรากําลังแจกแจงองค์การต่างๆอยู่อย่างไรเพื่อว่าพวกเขา จจะได้้เขาใและกลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธคำเพี้ยอัลกุรอางทั้งที่อัลกุรานนั้นเป็นสัจธรรมจงกล่าวเถิดมุฮัมัดว่าฉันไม่ใช่ผูพ้พิทัก์พวกท่านดรอก สำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพวกเจ้าจะได้รู้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 م م และไม่เป็นภัยแก่ผู้ที่ยำเกรงแต่อย่างใดจากสภาพของพวกเขาแต่ทว่าต้องตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง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 ลัคน์เหล่านันที่อุบสิลูบมาคาูลุ ل ุมชราบุมมิ น, ม, น, าาน ม, มีมิมวังังับัลีมุับิมากาูนละจงอย่ายุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นของเล่นและสิ่งให้ความเพลิดเพลินและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขา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 وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهِ ك َ ل َّ ذ ِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ, حيران َ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราได้และไม่ให้โทษแก่เราได้อื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือและเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำแกเราดังผู้ที่พวกชตอน ได้ทําให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดินในสภาพที่งงงวยซึ่งเขามีเพื่อนๆ เ, เรียกร้องให้ไปสู่ทางนําที่ถูกต้องว่าจงมาหาพวกเราเถิดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงทางนําของอลอตเท่านั้นคือทางนําที่ถูกต้องและพวกเราได้รับบัญชาให้สวามิภักดิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก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 ลลุุุวมพระองคือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจรงิงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นพระดำรัสของพระองค์คือความจรงิงและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ ในวันที่แตรจะถูก ป, ปราบพระองคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองคือผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างดยิ่งโวิดกาลอิบราฮิมลีอับีฮิอาซาระต็ตเตห์อัศนามนอาลิฮะอินนีอรกกวะโควมค์ฟีดลลมมัลลัลมบีน จงรำเลกถึงขณะที่อิบรอฮิมได้กล่าวแกับิดาของเขาคืออาชาัดว่าท่านจะยึดอบันดาจเวดเป็นพระเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงฉันเห็นว่าท่านและกลุ่มชนของท่านนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ที่หลงผิดอันชัดแจ้ง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 คันเมื่อเขาเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันหายลับไป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 ว ا أ ถ้าจริงฉันขอผิดหน้าของฉันแด่พระผู้สรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในฐานะผู้ที่ไฟหาความจริงและฉันไม่ใช่คนอื่นในหมู่ผู้ตั้งพากีแกาลอ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 และถ้าจริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่ฉันและฉันจะไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึง่งเท่านั้นพระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้กว้างขวางทั่วทุกสิ่งแล้วพวกเจ้าไม่นำลึกกันบ้างหรือ َكَيْفَأَخَافُ أَنَّكُمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ تَخَافُونَ ف مَا أَشْرَدْتُمْ أَشْرَدْتُمْ وَلَا بِاللَّاهِ بِهِ แล ا อย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งภากีขึ้นโดยที่พวกเจ้าไม่กลัวที่พวกเจ้าได้ตั้งภากทีเก่าหรอ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 บรรดาผู้ศรัทธาโดยที่ไม่ได้ให้ความศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการต้งางภาคีต่อ้อนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่รับเอาทางนำอันถูกต้องไว้วล า, าาาาลาอบรม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 َ َهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ هَدَيْنَا هَدَيْنَا دُرِّيَّتِهِ وَيَعْقُوبِ ُلَّنْ وَنُوحَنْ وَسُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَأَيْيُوبَ مِنْ َمِنْ وَكَذَالِكَ نَجْزِلْ เราได้แก่เขาคืออิสหะและยากูบทั้งหมดนั้นเราได้ทาง น, นาแล้ว และนัวเราก็ได้ทางนำแล้วแต่ก่อนโวนและจากลูกหลานของเขานั้นคือดาวูดสุไลมานและอายุและยูซุและมูซาและฮารุและในทํานองนั้นเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลายและザคกริยาและยายาและอีซา และอิสหาทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดีและอิสมาอีลวัลยาสะและยูนุสและลูตาและทุกคนทั่างนอและอิสมาอลและอัลยสะและยูนุสและลูแต่ละคนนั้นเราได้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติในสากลโลกและจากอขอวกเขลรรดยาติขอวกะอิขวานิกเ เราได้ดีเด่นอีกซึ่งส่วนหนึ่งจากบรรดาบิดาของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาและพี่น้องของพวกเขาและเราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนำพวกเขาไปสู่ทางอันเที่ยงตรง นั่นแหละคือคำแนะนำของอัลลอ์โดยที่พรงจะส่งแนะนำผู้ที่พรงส่งประสงค์ในหมู่ปวงบบาวของพรงุงด้วยคำแนะนำนั้นและหากพวกเขาได้ตั้งพาขี่ขึ้นแล้วแน่นอนสิ่งที่พวกเขาเคยกระทํากันมาก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา ชนเหล่านี้คือผู้ที่เราได้ประทานคำภีให้แก่พวกเขาและคำตัดสินและการเป็นนบีด้วย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 ชนเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอ์ได้ทรงแนะนำไว้ดังนั้นด้วยคำแนะนำของพวกเขาเจ้าจงเจริญรอยตามเถิดจงกล่าวเถิดมฮัมห ม, มัดว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใดๆจากพวกเจ้าในการศรัทธาต่ออัลกุรอานที่จริงอัลกุรอานนั้น มีใชอะไรอื่นนอกจากเป็นคำเตือนสำหรับประชาชาในสากลโลก لم لم และพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แก่วโลตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงดำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่า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 ไม่ได้รู้มาก่อนจงกล่าวเถอดมอมัดว่าผู้ทรงประธานคืออัล l l a h นั่นเองแล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิพาพวิจารณ์ของพวกเขาต่อไปวะหาด้าคิตาบนอัน ز ลนาหุมบาระคุมม ص ดิกละบีบายนยะดวะลิทุนดิรอมมัลกราวมันหาละหา นี่คือคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาอันเป็นคัมภีร์ที่มีความจําเริญและจะยืนยันสิ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้าคัมภีร์นี้และเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือนคนในหัวเมืองและผู้ที่อยู่รอบๆหัวเมือง น, นั้นและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระโลกนั้น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 ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ب ا س ط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون และใครเล่าคือผู้ที่อารรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็ดให้แก่ลอหรือกล่าวว่าได้ถูกประธานแก่ฉันทั้งทั้งที่มิได้มีสิ่งใดถูกประธานให้เป็นองค์การแก่เขาและผู้ที่กล่าวว่าฉั้นจะให้ลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่ลอให้ลงมาและหากเจ้าได้เห็นขณะที่ผู้อารรมอยู่ในภาวะใกล้จะตายและมาลัยกะกาลังแบ ม, มือของพวกเขาโดยกล่าวว่า จงให้ชีวิตของพวกเจ้าออกมาวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนซึ่งการลงโทษอันต่ำต้อยเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยกล่าวให้ร้ายแก่วโลโดยปราศจากความจริงและเนื่องจากการที่พวกเจ้ายะโสต่อบันดางค์การของพระองค์ وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُم ْ وَرَاءَ ظ ُ ه ُ و ر ِ ك ُ م ْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ ش ُ ف َ ع َ ا ء َ ك ُ م ُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ و َ ض َ ل َّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ل َ ن َ ن ُ و ن َ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 และสิ่งที่พวกเจ้าได้อ้างไว้ได้หายไปจากพวกเจ้าแล้วอินนัลลอฮฟาลิกุลฮับบิวนวายุคริจุล ح ي من ا ل م ي خ ج ذ ا ل ل ه ف َ أ แท้จริงอัลลอฮเป็นผู้ทรงให้เมล็ดพืชและเมล็ดอินทพลามปริตอ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 พระองค์คือผู้ทรงให้มีดวงดาวทั้งหลายแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะรับการนำทานด้วยดวงดาวเหล่านั้นทั้งในความมืดแห่งทางบกและทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่รู้ ว, วลลดตต และพรวมคือผู้ทรงให้เจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึง่งโดยให้มีที่พักและมีที่ฝากแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจ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 َجَنَّاتِمْ أَعْنَابِمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ إِلَا تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ مِنْ وَيَنْعِهِ إِنَّ ُنظُرُوا ذَالِكُمْ فِي قَوْمِ พวงนั้นคือผู้ที่ส่งให้น้ำหลังลงมาจากฟากฟ้า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 พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงทรงเกินกว่าที่พวกเขาให้ลักษณะอย่างนั้นพระผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่างไรเล่าที่พระองค์จะทรงมีพระบุตร โดยที่พรุองไม่ได้ทรงมีคู่ครองพระองนั้นทรงได้บังเกิดทุกสิ่งและพระองนั้นก็ทรงรู้ทุกสิ่งด้วยนั่นแหละคือ Allah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 แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้นและพระองค์ก็คือผู้ทรงปราณีผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งแทจง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 และในตำนานเดียวกันเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายไว้เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าเจ้า ม, มุฮัมมัดได้ศึกษามาและเพื่อเราจะได้อธิบายให้แจมแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ จงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดอนอกจากพระองค์เท่านั้นและเจ้าจงพินหลังให้แก่บรรดาผู้ที่ตั้งพาคีเ่เถิด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 พวกเจ้าจงหยาด่าว่าบรรดาพวกวิงวอนขออื่นจากอัลลอ์จะเป็นเหตุให้พวกเขาด่าว่าอัลลอ์อย่างเป็นศัตรูโดยปราศ จ, จากความรู้ในทํานองนั่นแหละ เราได้ความสวยงามแก่ทุกทประชาชาติซึ่งการงานของพวกเขาและยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นที่พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทำ